บทที่สิบเจ็ดเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงลงมาพบอคันตุ ก, กะเวลาสองทุ่มตรงในมั่นกับชายหนุ่มสองคนที่มาด้วยกันพากันกราบท่านสามครั้งแล้วบุรุษวัยห้าจึงพูดขึ้นว่าท่านสมพานช่วยไปจับผี่วงน้ำด้วยเถอะครับมาหลอกคนไข้หัวโกรนตายมาสามศพแล้วครับเมื่อกี้ไอ้มัง่งลูกชายผมก็ถูกผีหลอก ผมกลัวว่ามันจะตายไปอีกคนหนึ่งไม่ตายหรอกอาตมารับรองว่าลูกชายโยมไม่ตายแล้วก็จะไม่เป็นไข้หัวโกรนด้วยพระเจริญบอกเขาครับผมได้ยินมาจากเนนว่าท่านสมพานพูดอย่างนี้เลยมีกําลังใจนั่งรอท่านได้โปรดช่วยมันด้วยเถอะครับงั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละ ไปจับผีก่อนแล้วค่อยไปดูลูกชายโยมไปดูไอ้มั่งก่อนไม่ดีเหรอครับมันนอนครางฮือๆอยู่ที่บ้านเขาต่อรองผมว่าหลวงพ่อน่าจะไปดูไอ้มั่งก่อนแล้วค่อยไปจับผีหนึ่งในสองหนุ่มที่มาด้วยกันช่วยพูดขึ้นเขาเป็นพี่ชายในมั่งไม่เป็นไรหรอก พอจับผีได้เจ้ามังก็หายเชื่ออาตมาเถอะพอดีกับเนนตุ้ยเดินออกมาจากในห้องในมือถือไฟฉายมาด้วยกระบอกหนึ่งเอาละไปกันได้แล้วสมภารลุกจากอาสนะเดินนำเนนและขรหัดออกจากกุฏิเด็กชายสำริดกลับจากสำนักชีมาพบเข้าจึงถามหลงน้ากับหลวงพี่จะไปไหนหรอครับ ไปจับผีเนนตุ้ยตอบได้ยินว่าจับผีเด็กชายกระโดดผึงเข้ามาประชิดเนนถามเสียงสั่นว่าผีที่ไหนที่ต้นกลางโน่นพี่ชายในมั่งเป็นคนตอบผมผมไปด้วยไม่กล้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวผีมันมาหลอกผมไปก็ตามมา อย่ามัวชักช้พระเจริญบอกและก็เดินนำไปยังต้นกลางซึ่งอยู่ด้านหลังวัดขึ้นไปทางเหนือเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ขนาดสามคนโอบ ก, ก็ได้ยินเสียงผึบผึบอยู่บนต้นผสมกับเสียงครางฮือได้ยินกันทั่วทุกคนเด็กชายสัมฤทธิ์กลัวจนตัวสั่นรีบวิ่งเข้ามายืนใกล้ๆหลวงนาจะหวังพึ่งเนนตุ้ย ก็ไม่ได้โดยฝ่ายนั้นก็มีท่าทางขลาดกลัวไม่แพ้ตนครึ่งหัดสามคนก็กลัวหากก็ยังอุ่นใจที่อยู่ใกล้สม่านเนนส่องไฟฉายมาสิคนเป็นพระบอกคนเป็นเนนได้ไฟฉายแล้วจึงฉายขึ้นไปบนต้นกลางซึ่งมีใบดกปกคลุมจนดูดำมืดไปหมดยามลมพัดมาต้องใบของมัน ทำให้เกิดเสียงครางเวทวิวฟังดูน่ากลัวต้องปีนขึ้นไปจับผีอยู่ตรงครบไม้บนต้นนั่นใครปีนครับหลวงพ่อหรือว่าผมเนนตุ้ยถามทั้งสองคนนั่นแหละเธอนำหน้าฉันจะตามหลังต้นสูงออกอย่างนี้คงต้องใช้พระองค์พาดแล้วก็ปีนขึ้นไป โยมช่วยไปขอยืมพระ อ, องค์บ้านนั้นมาหน่อยบอกว่าสมพานให้มายืมท่านชี้ไปยังบ้านหลังใกล้ที่สุดในมั่นกับชายหนุ่มสองคนจึงเดินไปยังบ้านหลังนั้นประเดี๋ยวหนึง่งก็แบกพระ อ, องค์กลับมามีชาวบ้านผู้ชายตามมาอีกสี่ห้าคนเพื่อมาดูการจับผีพระเจริญใช้พระ อ, องค์พาดกับกิ่งต้นกลาง แล้วสั่งให้เนนตุ้ยขึ้นไปก่อนหลวงพ่อปีนก่อนดีกว่าเนนวัยสิบห้าเกียงสมพานเธอนั่นแหละฉันอยู่หลังจะได้คอยช่วยถ้าฉันอยู่หน้าแล้วผีมันมาข้างหลังใครจะช่วยเธอละ่ะคำพูดของสมพานทาให้เนนตุ้ยถึงกับตัวสัน่นส่วนเด็กชายสำริดนั้นเข้าไปยืนรวมกับพวกชาวบ้านด้วยต้องการที่พึ่ง และหลวงพ่อต้องช่วยผมนะอย่าทิ้งผมนะครับเออนาะฉันรับรองว่าเธอปลอดภัยตั้งสติสิอย่า ก, กลัวกลัวมากๆระวังจะเป็นบ้าตั้งสติเข้าไว้กำหนดกลัวหนอกลัวหนอเรียนมาแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ได้สมภารสอนลูกวัดเอาละปีนขึ้นไปเลย สมณเณรวัยสิบห้าจึงจำใจต้องปีนขึ้นไปก่อนแม้จะพยายามกำหนดกลัวหนอกลัวหนอก็ยังขาสัน่นพับๆ พ, พระเจริญปีนตามขึ้นไปติดๆเมื่อใกล้ ค, รครบไม้เนนตุ้ยก็ต้องสะดุ้งสุดตัวหลวงพ่อช่วยด้วยผีๆีโอ้ยผีมันตาแดงกล่ำเลยพูดพรางพยายามที่จะถอยลงมา หากก็ลงไม่ได้เพราะติดพระเจริญไหนหน้าตามันเป็นยังไงภิกษุวัยสามสิบเศษบอกให้เนร เ, เบี่ยงตัวหลบแล้วจึงชะโงกดูภาพที่เห็นทำให้ท่านต้องกำหนดตกใจหนอเป็นนกเข้ามงตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อกระทบกับแสงไฟฉายมีสีแดงน่ากลัวนักเห็นคนบุกมาถึงรัง นกเข้ามงตัวนั้นก็กางปีกออกปกป้องลูกน้อยที่อยู่ในรังตามสัญชาตญาณของมันครั้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพระหนุ่มจึงพูดกับแม่นกว่าไม่ต้องกลัวเรามาดีรับรองว่าจะไม่ทําร้ายเจ้าหรือว่าลูกเจ้าหรอกนะเหมือนจะฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องแม่นกจึงหบปีกและป้อนอาหารลูกต่อโดยคาบลูกหนูตัวแดง ที่นอนดิ้นกระเดกกระเดกอยู่ในรังใส่ปากลูกน้อยซึ่งพากันอ้าปากกรอรับเป็นภาพที่พระเจริญประทับใจมากนกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆยังรู้จักรักลูกแล้วมนุษย์ละ่ะท่านนึกไปถึงแม่เจ้าแดงกับเจ้าขาวที่เอาลูกมาทิ้งหลวงพ่อพูดกับผีหรอผีมันกลัวหลวงพ่อเหรอครับ เนนตุ้ยถามรู้สึกว่าหายกลัวไปโขทีเดียวหลวงพ่อท่านเก่งเหลือเกินขนาดไม่มีมีดหมอผียังกลัวผีเผอที่ไหนกันละ่ะนกเขามงมันป้อนอาหารลูกมันนี่เธอตาขาวไม่เข้าเรื่องท่านตำหนิลูกวัดลืมไปว่าตัวท่านเองเมื่อแรกเห็นก็ต้องกำหนดตกใจหนอ ยังงั้นเหรอครับแมผมกลัวแทบตายใจเต้นไม่เป็นซําเลยนะครับเนี่ยเนนตุ้ยพูดอย่างโล่งอกลงนาะจับผีได้หรือยังครับเด็กชายสำริดตะโกนขึ้นมาได้แล้วเนนตุ้ยเป็นคนตะโกนตอบได้ยินดังนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ยืนออกันอยู่ที่ใต้ต้น ต่างก็พากันตื่นเต้นยินดีเอามัน่วงน้ำเลยนะครับท่านสมพานในมั่นตะโกนขึ้นไปพระเจริญไม่ตอบหากบอกให้เนียนตุ้ยลงมาก่อนและท่านจึงลงตามอย่าไปทำมันเลยนะโยมสงสารมันอัตมากำชับแล้วว่าอย่าเที่ยวไปหลอกไปหลอนใครอีกมันเป็นผีแม่ลูกอ่อนสมพานพูดยิ้มยิ้ม แม่นาคพักน้องเหรอครับในมั่นถามรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกไม่ใช่แม่นาคหลอกโยมนกเข้ามงนะ่ะมันกำลังป้อนอาหารลูกอ่อนพอคนเดินผ่านมันก็กลัวจะไปทำร้ายก็เลยส่งเสียงคลางฮือๆเป็นการโคลแล้วเวลาที่ลมพัดมาถูกใบกลางเสียงดังหวีดวิวคนก็ไปคิดว่าถูกผีหลอกทำให้ขาสติวิ่งหนีสุดชีวิต ที่เป็นไข้หัวโกรนน่ะเพราะจิตร้อนเอาละทีนี้ก็หายกลัวกันได้แล้วนะไปไปดูลูกชายโยมกันท่านชวนในมัน่นจึงพาพระเจริญกับเนรตุ้ยไปยังบ้านของตนมีเด็กชายสำริดติดตามไปด้วยส่วนผู้ชายสีห้าคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนในมั่นถือโอกาสฝากพระ อ, องค์กลับไปด้วย เพราะว่าตัวเขาต้องพาพระเจริญไปดูลูกชายอีกคนหนึ่งที่ถูกผีเข้าในมั่งนอนคลุมโปงคลางหงิงๆิงอยู่กลางบ้านแวดล้อมด้วยพี่ๆน้องๆซึ่งมานั่งล้อมวงดูด้วยความสงสารทว่าไม่รู้ว่าจะช่วยประการใดนางตุ้งหลิงผู้เป็นแม่ก็เอาแต่ร้องไห้ที่ลูกจะต้องมาตายจาก ครั้นเห็นสมภารกับเนนเดินขึ้นบันไดามาก็ยินดีเหมือนสวรรค์มาโปรโดนิมนต์จ้าท่านสมภาร น, นิมนต์ข้างในเลยจ้านางลุกออกไปรับที่นอกชานลูกๆช่วยกันหาเสือมาปูให้ท่านนั่งใกล้ๆกับนางมั่งมั่งเอ็งเป็นอย่างไรบ้างไหนลุกขึ้นมาคุยกับหลวงพ่อหน่อยสิท่านพูดอย่างปราณี คนที่กำลังนอนคุมโปงก็รู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เรียวแรงที่ถดถอยกลับคืนมาเหมือนเดิมเขาลุกขึ้นนั่งแล้วกราบเบญจางขระดิดสามครั้งพูดว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะครับผมยังไม่อยากตายช่วยสิหลวงพ่อรับรองว่าเองไม่ตายเพราะถูกผีหลอกแน่ไหนเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยสิว่าผีมันหลอกยังไง ในมั่งจึงเล่าว่าคือผมไปบ้านเพื่อนพอเดินผ่านต้นกลางก็เกิดลมพัดแรงดังวิววิวผมได้ยินเสียงผึบผึบตามมาด้วยเสียงครางฮือฮืออยู่บนต้นไม้ผมก็ตกใจโกล อ, อ้าวเลยวิ่งตับแทบแตกพอถึงบ้านก็นอนคุมโปองมันร้อนร้อนหนาวหนาจับไข้เลยครับชายหนุ่มเล่าฉันก็เลยกลัวมัน จะเป็นไข้หัวโรนตายเหมือนรายอื่นๆนางตุ้งหลิงว่าท่านสมพานก็บอกว่ามันจะไม่ตายในมั่นบอกเมียจริงเหรอเจ้าท่านสมพานนางถามพระเจริญจริงสิก็อาตมาเพิ่งบอกเจ้ามั่งไปยกยกยอมไม่ได้ยินหลอกหรือท่านพูดเสียงดุดุได้ยินจากฉันได้ยินที่ท่านพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไร มัวกังวลว่าลูกจะตายนางต้งหลิงสารภาพเอาละทีนี้ก็เลิกกังวลกันได้แล้วมั่งเองอยากรู้ไม่ว่าที่เองได้ยินนะ่ะคือเสียงอะไรท่านถามคนที่คิดว่าถูกผีหลอกเสียงผีน่าจครับหลวงพ่อมันหลอกผมจะให้ผมเป็นไข้หัวโกรนตายในมั่งพูดถึงผีอย่างนึกชิงชังไม่ใช่ผีแต่เป็นเสียงนกเข้ามง ที่ดังพึบๆึบเพราะมันกระพือปีกส่วนเสียงคลางฮือๆนะ่ะเป็นเสียงมันโคข้าเพิ่งไปดูมาเดี๋ยวนี้นี่เองงั้นที่ตายไปสามศพนั่นก็แบบเดียวกันนะสิครับท่านสมพานคือม่เด็กตายเพราะถูกผีหลอกแต่เอทำไมมันต้องเป็นไข้หัวโกรนด้วยล่ะครับท่านสมพานในมั่นไม่อยากจะเชื่อนั่นเขาเรียกว่าโรคคาสติ โรคนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าโรคมะเร็งเสีอีกเพราะไม่มีสติจึงตกใจกลัวแล้วจิตก็สร้างภาพหลอนขึ้นว่านั่นต้องเป็นผีจึงล้มป่วยเนื่องจากตกใจมากเกินไปก็ทำให้ผมร่วงแล้วก็เลยเป็นไข้หัวโกรนถ้ามีสติก็จะไม่ตกใจแล้วก็จะไม่เป็นไข้ด้วยเห็นความสาคัญของการมีสติหรืยัง สติที่ใช้คู่กับปัญญาใช่ไหมครับหลวงพ่อพี่ชายในมั่งถามถูกแล้วเราพูดเสมอถึงคาว่าสติปัญญาเราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริงแต่สตินั้นแท้จริงแล้วเรานำออกมาใช้น้อยนะักทั้งท้ที่สตินั้นมีคุณค่าแล้วก็จำเป็นแก่ชีวิตมีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็ต้องมาฝึกสติกันฝึกยังไงจ๊ะนางตุ้งหลิงถามอย่างสนใจถ้าอยากรู้ว่าฝึกยังไงก็ต้องไปเข้ากรรมาฐานที่วัดฉันไม่มีเวลาหรอกจาะมานดาในมั่งรีบบอกผมก็ไม่มีเวลาหรอกครับหลวงพ่อในมั่งบอกบ้างต้องรอให้เป็นไข่หัวโร้นซะก่อนใช่ไหม ถ้าพวกเองจะรอให้ถึงเวลานั้นรับรองว่าไม่ได้ไปเพราะตายเสียก่อนงั้นผมไปครับหลวงพ่อผมจะไปพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับในมั่งรีบบอกรู้สึกเข็ดขยดเสียนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนหัวค่ําการไปฝึกสติที่วัดจะได้ไม่ต้องประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อีกได้ต้องมีสัจจะนะ สัจจะนี่สำคัญมากคนที่เสียสัจจะนนะหลวงพ่อเห็นตายมานักต่อนักแล้วนะพูดจริงๆนะไม่ได้แกล้งขู่เองแต่ถึงไม่ขู่ผมก็กลัวครับหลวงพ่อทั้งเข็ดทั้งกลัวเลยลูกชายในมั่นสารภาพดีแล้วงั้นหลวงพ่อเห็นจะต้องกราบละ แล้วจะสำริ์ง่วงแล้วท่านมองเห็นเด็กชายสำริดซึ่งนั่งสปงกพิงเสาอยู่ผมจะไปส่งนะครับในมั่นขันอาสาไม่ต้องรอกโยมอาตมามีกันตั้งสามคนไฟชายก็มีพร้อมจะต้องไปส่งให้เสียเวลาทำไมงั้นผมก็ต้องขอบพระคุณท่านสมพานมากครับที่เมตตาผมและลูกเมีย เขาก้มลงกราบท่านสามครั้งนางตุ้งหลิงและลูกๆทำตามเอาไว้ชั้นว่างแล้วจะไปฝึกบ้างนะจ๊ะท่านสมพานเมียในมั่นพูดเอาใจพระเจริญถ้าโยมจะรอให้ว่างแล้วก็โน่นแหละเข้าเมรนเมื่อไรนั่นแหละถึงจะว่างเอาเถอะจะไปหรือไม่ไปอาตมาไม่ว่ารอกเป็นเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมา เมื่อท่านพูดมาอย่างนี้นางตุ้งหลิงก็เลยหน้าม้านไปนึกโกรธตัวเองว่าไม่น่าจะพูดออกมาเลย